คนจากสงสัยไม่ต้องรูปคลำมันเลยไม่ต้องสงสยยัยแน้วนั่นแหละถ้ายังไปรูปคลมอยู่เราจะนั่งเพื่อสมาธิให้เทวดามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะสักเเคการเมจะรูปเปกิเลคารตะเตจันติเคบิมานีเพื่อจะเปล่าเทวดาทางใดนีน่เป็นศิรษษิพรฒนประมาทั้นั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดียวครับแต่พระสุสานท่านยังมี สิงที่ไม่รู้คร<ะ>มีมีครับถ้าไม่รู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีความสงสัยไหมพระโสดาบันได้ไ ก, กี่อันรับได้สามกับทัศนีย์สิทธิสิริาัสสะปะระม้าไม่ได้สงสัยคือหมายความว่าไอความสงสัยนี่น่ะมันตามขั้นตอนกิเลสของโสดาบันเป็นส่วนหนึ่ง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 ถึงแมะมันมีอยู่บ้างก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรไม่ทำก็ให้มันเกิดผิดเกิดภัยการรูปคร่ำ ม, มาสงสัยจะถูถกไห้น้อผิดไหม น, น้องอย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเราอย่าไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้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 มีจีคิดชา้าความลังเลทิฏฐาปัตรปาละมาสซักกายจิตถี่นี่มันก็รูปคลำเหมือนกันมีจีคิดช้ามีอยู่ก็รูปคลำเหมือนกันทิฏฐาปัตตปาละมาสนี่มันก็เป็นเครื่องรูปคลำเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธินา น, าน หรือแสดงอาบัตนี่อาบัตตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือนานๆนอยู่ปริวาททีหนึ่งใจแล้วก็สบายบริสุทธิ์อย่างเนี้เป็นศิทธพัตตารามาทั้งนั้นนานๆนอยู่ปริวาสที่หนึ่งใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาทท่านอยู่ทําไมท่านเป็นอะผมไ ม, ไม่รู้จกัก อยู่ทาไมบางทีบางทีอยู่มานานๆนบางทีมันกลัวมันจะเป็นอย่า ง, งนงนกลัวมันจะเป็นอย่างนงี้จะมาอยู่แล้วต่ให้มันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกว่ารูปคล้ำมันเข้าใจยังรูปคล้มมันรูปคล้มเช่นว่าเราแสดงอวบัตสงสัยอบัต แสดงว่ามันรูปคล้ำถ้าความเป็นจริงแล้วนะถ้าไม่มีใครนะไม่จำเป็นเดี๋ยวอย่าไปพูดในคนนะอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดในคนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปคล้ำ ม, มะะันแสดงอรับาที่เดียวมันรูปคล้อยู่ก็แสดงอรับาอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปคล้ำนะอันนี้พูดถึงเรื่อ ง, ง, องจิตใจของเรา แล้วก็ไม่ยี่ตกไปด้วยไม่ในวันมีตกไปด้วยถ้ามันไม่รูปคำคือมันไม่รูปคำคลมม้ายๆก็รียกว่ารูปคำก็คล้ายๆพูดถึงเรื่องจิตของเราออย่างปลาสนูนะเดินไปตรงนั้นไอ้ไอข้ขายมีไปถูกกระเทียมข้าวในเดย์นี่รูกคำเห็นไห ม, ม นี่พูดกันง่ายๆ ย, ยังรูปคล้ำอยู่คือมันจะอยู่เฉยๆก็อยู่เพราะมันเก็บอยู่ทันทั น, านมารูปคล้ำโอ้โหรูปคล้ำนี่นี่พูดเห็นง่ายๆการารูปคร้ำมันมีสิ่งที่รูปคล้ำอยู่อย่างนี้คร <retrieve> ับไม่เหมือนกับสุเมทัไม่เหมือนกระไอชากระโดไม่ไดไไ้ไม่ได้ไปโดนเตียงเฉยไม่ต้องรูปคล้ำไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยนี่อุบายบอกให้รู้จักทําไมถึงรูปคล้ำเพราะว่ามันสงสัยอยู่มันเก็บเนี่ยก็รูปคล้ำนี่รูปคล้ำ อย่างนี้เลยครับอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราเร า, เราทําอย่างนี้เราทํ า, าทอย่างนี้เป็นไหมนะเชีนว่า เ, าเจตนาหังเป็นเหตุอย่างที่ว่ายุงมากัดเราอย่างนี้นะพอดีพอ ม, มันมันมันกัดยุงครปะอ้าวเลือดเต็มมือเลยตายเลยยุงไะพอเห็นเช่นนี้กไม่ต้องดูกคร่ำเป็นอาบัติม่น้อ เราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่นานบอกให้มีสติให้ดีเนี่ยท่านประมาทเลยวุ่นอยู่นั่นเล้รูปคำเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นวันวานคันปุ๊บก็โอ้ยยุงตายเลยคช่างมันทีไปถึงกติกาไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไม่นึกอีกว่าเราจะเป็นอะไรเราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชาระดีตกเราได้อย่างนี้นเมื่อทําความเพียรก็ไม่ต้องดีตกมหาตรงนี้ ก็เพราเราไม่ได้ไม่ได้ไปโดนเตียงแต่ไปโดนเตียงกคนนั้นนะก็ับให้ดูคล้ำอยู่นี่ดีด้วยดีไม่ดีต้องหาน้ามันมาใส่เลยนีน่ีอุบายให้รู้จั ก, กว่าการกรูบคล้ำนี่นี่รูบคล้ำคือมันมีอะไรอยู่ตรงเนี้มันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้รูบคล้ำจิตใจมันก็หวัน่นดีตกวมาถือตรงนี้มี่เดียวรูปคล้ำสกายะทิฏฐิ การตามเห็นร่างกายของเรานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้มาใจของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องแ่ะไม่ต้องดูคำนะวิกิคิดชา้ายะลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วศิทธปัตตระมา จะมาดูมาคลำก็ไม่มีมันเป็นกิริศคณะกิริศติดต่อกันสักกายคิดฐีบิจิกิ ช, ช้าชิละปตะปรามาร์ดเนี่ยครับมันติดกันนะคือเราปลอยจากสกุล น, น่างกายเห็นเน่ตามส่วนมานเนี่ยปิกิจิชา้าสงสัยมันก็ไม่มีเนี่ยมันต่อแบบมาจากโน้นเนี่ยเมื่อไม่ได้สงสัยการดูรคลำก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีนั่นก็เลยไม่ กิเลสส่วนนี้เฉพาะพวกนี้กับในในขันทางข่าเน้นในรูปอย่างเดียว ใ, ในขันอะไรจะอะไรจะมันเป็นขันหนึ่งก็หมดทั้งรูปทั้งก้อนนี่แหละแะบเวทนาสัญญาทางขานัญญาครัื่องกระรวมทั้งห้านี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนวมักแปอย่างนี้นะอะไรบ้างมักแป สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความลํานิมันชอบมันชอบกันไปหมดถึงนู่นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขะ น, น้านี้ความเห็นชอบของพระโสดาบันก็มีของพระสิท ธ, ธากรพระอนาคตก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็มเหมือนของพระอหรหันนี่แต่ว่าสักยุทธิไอ้ไอ้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 ถ้าพระโสดาบันเห็นชอบมันก็ชอบไม่มากเหมือนพระอรหันต์เห็นชอบมันคนละคณะแต่จะเรียกว่าเห็นผิดก็ไม่ได้ในขณะที่เห็นชอบถ้าหากว่าเห็นผิดถ้าหากว่าไม่มีผิดมันก็ไปถึงพระอรหันต์เองมันก็ยังมีผิดอยู่ที่มันจึงเป็นพระโสดาบันมันยังเดินไม่ได้นี่แต่ว่ามันชอบในคณะโสดาบันนี้ไม่ชอบไปถึงโน้ ถ้ามันชอบอันเดียวกันทั้งหมดขนาดเดียวกันหมดมนก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ต้องอยู่เป็นโสดาบันสิใช่ mm hmm. ว่าเขาไม่ชอบมันชอบขนาดนี้ mm hmm. ผมยกหมดกําลังของผมนี่ครับหมดกําลังของเด็กหมดกําลังแล้วกับอย่างนี้ก็หมดกำลังเลย แ, แต่ว่ามาหมดกําลังของเด็กไม่ใช่หมดกําลังของผู้ใหญ่เนี่ย mm hmm. เขาก็พูดไปตามคาดอย่างนี้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 จะเหลือทำหม่อืมเหลือก็สุนัขก็ไปกินเท่านั้นเดียวเว้ยเมียวไปกินเั่านั้นใช่มันมีเหลือดิที่มันเหลือมันก่อมันเหลืออยู่ที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ปีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เขาพูดถึงว่ามันเหลือมันเหลืออะไรนี่นี่นี่มันเหลือที่ตรงปีเตอร์ยังไม่รู้ว่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้ฮึ่ม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 ไม่เห็นตนแต่เห็นตนก่อนนี้เห็นว่ามีใจตัวใจตนแล้วคือคนนั้นเห็นตนอันนี้มันจะต้องฟังแล้วเที่ยงมันไปเราทำเพียนเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอย่าลืมที่เรียกว่าไอความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นนะ่ะมันอยู่ที่การกระทาความเพียนไม่อยู่ ไม่ไม่ใช่เข้าใจว่ามันจะหายสงสัยเพื่อไปถามคนอื่นเขามันจะหมดว่าไอาความสงสัยจะเหิดแห้งไปเพราะการกระทาเพียร น, นี้ไม่หยุดแต่ประการกระทำเพียรเหล่า น, านี้มันก็ไม่จะไม่ได้ดังใจเราแต่เราอยากรู้เห็นเร็วๆ เ, เข้าไปแต่เราก็ขี้เกียจอย่างเนี้นน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 ที่ยังไม่รู้กว่าที่ยังไม่ก่อนต้องทำไปอย่างนี้เราร้อนเกินไปเกินไปหน่อยเย็นเกินไปเกินไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ช้าไม่ใช่เร็วเนี่เถอะช้าก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่ใช่นี่แต่ดูไปเหอะมันอยู่ตรงไหนเกินไ่รู้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 ถ้าไม่ทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากเ่ น, นั้นเมื่อเราทอดอะไรเ้วนั่นอ่ะใช่ไมเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่ น, หออห น, นแหละเมื่อเราไปหมายมัน่นมันอยู่ก็ยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บอะไรนั่นเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะ อย่างเรามีเพชรก้อนนึงเนี่ยดนลงไปในน้ำครั้เสียดายเว้ยแล้วก็ดำในคํามไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวกว็หิวไปคิดไปคิ ด, คดจางังมันเถอะได้ก็ได้หายก็หายจ่างมนไม่สบายเลยกลับไปบ้านสว่านี่มันได้อยู่สิตรงทอดอะไรตนวางอย่าเนี่ยคณะนั่นถ้าเรา ไม่จะได้กรือคือมันได้จะได้นาอะอะไรก็นจะได้เนาะมันไดนาะทุกอยางเอาเตียงทีเข้าม า, นาเนาะเฮ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมาเถอะสบายเลยสงบตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ความ ด, ดมิ้นดนมือก็ยังมีอยู่นั่นแหละอืมไม่ต้องใช้กำลังใจอะไรแล้วรักษาของเก่านั่นไว แล้วก็ทำสติให้ดีขึ้นสติให้มากกว่ายัางอื่นไม่ผิดไม่โจนการทำเพียนไม่รู้ว่าจะทำยังไงหมทำไปอย่างนี้ทาไปอย่างแต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเลยเนดะสติของเรานะ่ะมันก็ยังไม่เต็มส่วนของมันอกาในพยายามเพิ่มไม่มีสติมากขึ้นกว่านั้น ไอ้มันรู้เท่าทันมันถูกอย่างเมื่อเมื่อสติเรา แ, แจ้งขึ้นเมื่อไรเนี่ยไอความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่ก็อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้ไอความรู้อันนี้แหละอืความรู้อันนี้ แต่เรามมตติอยู่จะให้เราเกิดปัญญาจะให้เราตามรู้ตามเห็นขย่างไปได้ถ้าเราไม่มีสติเมื่อก็ไม่รู้ไม่รู้วันไปถึงไหนอะไรกันคือทำสตินั่นแหละให้มากขึ้นเท่าที่เราทำได้ <c oughs> สตินี่เองจะเป็นคุณค่าอันไพศาลที่จะประคับประคอง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 มันก็ไม่เห็นมันดกอยู่ได้ถ้าเรามีสติอยู่กระจ่างขึ้นมาเมื่อไรอจิตใจหรือปัญญาของเรามันจะโปร่งใสขึ้นเปรียบประหนึ่งว่าเราเอาน้ำใส่ขันมาวางตรงนี้เราจะมองดูในขันน้ำ ถ่าน้า ม, มันก็เพิ่มอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นแต่หน้าเราก็ได้ถาน้านั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประคับประคองดูนั้นมันจะมองเห็นตัวเราเนละมันจะมองเห็นไปน้แม่จริงจบตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นไม่ใช่ว่าแต่เราเนะี่ย ไอทาน้ามันก็เพิ่มอยู่ไงแต่ตัวเราเนี่ยเขาเห็นในยากอืเห็นในยากไม่ถนัดถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งมันไม่กระเพื่อมมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นมันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม่ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับจกข้างบนมันก็จะพลอยไปเห็นด้วยนี่ไอพ่อน้ําเนี่ยมันนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไง ที่เรานะ่ยมันจะนิ่งได้กับข้อที่ว่าเรามีสติมีการสังวรสังรวงระวังการระวังกับข้ะมันความรู้เกิดขึ้นมาความรู้สึกเนเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่สติจําการที่ในทําและคําที่พูดเรียกว่าสตินานก็ได้ เรียกว่าสติจำการแต่อันนี้มันจะไปสับสนกันอีกอันหนึ่งนะสับสนกันอีกอันหนึง่งสติเกิดขึ้นมารูกมันก็เป็นสัญญาอันนี้มันแก่ได้สัญญาอา น, นิจาไอ้ความจำหรืออันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันมันเกิดมาจากสติแน่นอน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 อันนี้มันเป็นว่ารัณะทีวะสัญญาอนิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพทีวามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเพราะนานมาแกมาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโฉมไปอย่างจะเรียกโอมุตโต้เลยไปเรียกชาคาโลซะกรู้อยู่วามันเรียกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลง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 ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะเราเระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเรารู้จักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาอืไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายตนะอันนายแลมสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไป นี่เมื่อจากอนาคตเอเมื่อจากการกระทําเชีน่นี้จะเดินนอยา่ามมีสติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้เรารู้เป็นโอปนายเยโกน้อมเข้ามาต้นไม้มันก็เหมือนเราเนี้ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานะน้อมเข้าเนาะให้มันช่อช่างมั้ย ไอส้สติที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทงั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาใช่ไให้คุณพิจารณาใช่พิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไมอ้อะไรต่างๆพิจารณาไปเนี่ยยังขวอ ด, ดก็กวอดไปเถอะไอ้คนขวอดก็กวอดไปคนพิจารณาก็าพิจารณาไปเนี่ยไม่ใช่กวอดเฉยๆขวอดไป กวาดไปมีสติปลาสมาธิเป็นอยังไงเนี่ยนนะเออเพียงจะรู้เ อ, อ้ยกวาดวัดตัวดีมกันนะกวาดด้านวัดเดี๋ยให้มันสะอาดเราทําความเพียรนี่ก็เพื่อ ก, กวาดกีเดียดทางไหนออกจากใจของเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างเนี้ใช่ไหมเ อ, อื่ปัญญาก็เกิดขึ้นไปเรื่อยไปเห็นไปรื่อยไปบอเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้น ก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะอืหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันก็ความสงบมันก็เกิดขึ้นอ น, นี่ทุกกระงับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาธิออกมาใช่ไหมในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นเออ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 ก็เหมือนเราที่ดียว่ะท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทแล้ในคุกกันก็ไปในนั้นมเมื่อเราพิจารณาปัจเจกดีดิเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรใน ก, ก, ก็สบายไปไอ้คนที่ยัยงแยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลาย ลำากหลายยังไม่ยอมถ้าคนยอมทะานแรกก็เห็นวมันเป็นอ เ, เดียวกันเนี่ก็เริ่ยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอ้คนนี่มันก็เบาไปไอ้ทีคนยังไม่เห็นมันก็หนักมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติมุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บรรเทาทุกข์ละครับมันต้องบรรเทาทุกข์ กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไปนี่เราเราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างสัญชาติโนนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทําปฏิบัติกันอย่เนี่ยที่มาฝึกก่อน แล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเราเวลานี่กับความรู้แต่ก่อนที่ที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหมวัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวแหละทําไมมันเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่ที่หมายมั่นมาก็ค่อยๆวันเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้อืมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตัณหามันก็อยากจะเป็นอย่างนี้แหละมันอยากจะหลุดพ้นไปเดินมันทุกคนเน่ย มันอยากจะเป็นเตวะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อืเป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาคโรวอ่ะแม่สมัยก่อนนั่นนะ่ะไปเห็นอะไรนิดเดียวกดบรรดุเป็นผ้าหลานแนลเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไปถูกนะยังไงก็ได้เกิดบุญขึ้นมาเกิดบุ่นขึ้นมากฎจะพายบาดแบกกดเข้าไปในปาน่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในป่าน้องนี่ ไปป่านี้ก็ไม่สงบไปปานั่นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี้ก็ไม่สงบไปตรงนุ้นอีกก็ไม่สงบด้วยไม่มีทางที่สงบได้วุ่นตลอดเวลาเนี่ยอื่พอเห็นความสงบอยู่ในปา่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือคือเป็นสัมมาติที่มันมีความห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้น ถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยไปแล้วออกภาษาเนี่ยจะ ท, ะทะวายบาดไปก็ะหนแม่ภูเขารู้นี่นะมันสงบดีเหลือเกินนันจะหมดเจดเีย์อยู่ในภูเขารู้นี่ลองแต่ก็มันมีสวนเหมือนกันนะแต่มันสงบเพนิดนึงอแต่ว่าเมื่อกิจมันพุ่นหรอกคุณจะต้องไปภูเขารู้นั้นอีก ลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั้นนก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่าคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้ไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันอีกเลยวุ่นหมดหมดภูเขาทูกลูกแล้วหมดอาจารย์เนี่ยหไม่มีกัสรูกไม่จริงนะเลิกมันเป็นไซอย่างนี้คนเราอ่ะไอความเปจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ะคือความเหมือนชอบนั่นแะ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 มันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนหรือพูดเรื่องการปฏิบัตินี้ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยจะมาทําให้เราเป็นบ้าเนนะี่ยง่ายๆเหมืันแต่เป็นบ้าเมื่อเกิดเจนหามาเกิดแดดดอนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จักต้องมาปฏิบัติรักษาบ้าเนี่ยห้หายถึงจะสบายอยู่แนละ ลองลองดูทีผมก็เคยเป็นมาแล้วคิดใหญ่ไฟสูงคิดสะดุพัดอย่างคิดน้อยกว่าน้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไปยาวกว่ายาวเกินไปสั้นกนก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมันมันเกินความพอดีของความต้องการของธรรมะมันก็ไม่ดีอย่างนั้นความยิ่งขึ้นยิ่งรวงยิ่งขึ้นยิ่งจอดเวลามันไม่เหมาะสม เมื่อปีติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจถูบอกไม่ถูกคนกั น, นแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันประ้จัก์ความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยถึงมีอาวิตกนิจจานปีติสุขเอกกาตา ทิ้งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็าตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือนกับผลไม้อามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นค น, นอย่างก็ช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้น วิตกกุลีวิจารกุลีปีติกุลีสุขกุลีเอกขตากุรีเราในมองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกรณันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นเจ้ามันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นมองเห็นมันเป็นอยู่เต็มในใจของเราอยู่นั้นมันเต็มหมดอยูนั ตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทําภาวนาดับแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะอย่าหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องคณะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นจะไปส่งใช้อะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงไปพื้นดินก็ช่างมันมันจะไปบนอากาศก็ช่างมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเถอะ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 เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราจะระจิตอันนี้ไหนจะไปยึดมั่นถือมั่นมาเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัย <c oughs> นั่นก็เรียกว่ามันมีการของกิจณาตรวจตาดูืผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่านั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยยายาไ อ, า อ, า อ, อรู้ เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับกิจนั้นก็สักแต่ว่าอเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่เมื่อ็วลบไปมันก็เป็นเพเท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันใดทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้เมื่อก็เห็นรอบเก่ามันเห็นรอบต่าเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความกวดมันไม่เที่ยงตรงนั้นเมื่อก็เท่านั้นจิตมันก็วกหมอมันก็เบื่อ ม, มันก็เบือเบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบือ่อเบื่อสี่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่แค่นั้นแหะจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยอืเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกแค่นั้นแหละมันก็หาทางออกจากสิ่ทั้งหลายแบบนั้นมไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษ เห็นโทษแล้มันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้นีเมื่อกิจเป็นเช่นนี้เ่าก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอันนิจจังเรื่องตัวขังเรื่องอันนิตจายนั่ไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วนีทีนี้จะไปนั่งอยู่โคลนไม้ก็เลยฟังเทศประคุตเจ้า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 มันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่ที่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นชิ้นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยวนะอย่างนั้นในทางพุธลศาสนานี่ยแต่ในความเห็นเนี่ย เห็นว่าเราโง่กเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีเขาก็ยังไม่ถู ก, เ, เ, เ, ก, ถกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นเสียอย่างนี้มันก็ถอดอาชมิมานะออกอันนี้ท่านเรียวกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจง้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริง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 ถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามัน ไ, ไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมันเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันกรร็รวนแต่รีนที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันกระรวนมีแต่ปัญญา เต็มอยู่ใจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นยิตในขณะนั้นมันก็เดินอยู่ในสินในสมาธิในปัญญาในศินในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอยาประมาทคําที่ท่านว่ายาประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อย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 บอกวิธีที่ทอบรมจิตถ้าเราจะอบรมน่นอบรมจิต น, น่เป็นตัวของเราเองก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จกักหมดทุกอย่างและอยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปัจจุบัินี้มันอาศัยความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบาย เดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงทำมาทำจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไมไม่เหนื่อยอ่ะทำจะแบาทำจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติ ท, ทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ตรงรู้จัก ถ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติตอนนั้นไม่จําเป็นมากมแล้วก็ลู้ทิตทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนพิชซู ส, สามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอยาด เยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างไห้เอาเยี่ยมยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตน์ซึ่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้เพื่อไปเอาอย่างท่าน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 แต่ยแยงของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดเด้อท่านไม่มีอะไรงานเป็นสั์แต่ว่าพูดสัจจะว่าจะธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทําอะไรนั่นไงนนท่านมุ่งธรรมะแต่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหาย มันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นลวงตาบางคนไปเอาตามทันเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นเชนนั้นพวกเราทุกคนนั้น อย่างผมเล่าให้ฟังน่นแหละสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันธาปิญญาทุกขาปฏิปฏทปปาคิดภากิญญาสุขขาปฏิปทาทันธาปิญญาสุขขาปฏิปฏทาคิ ป, ปาปิญญา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 ทุกขประเจปทาท่านทาปิญญาปฏิบัติลำบากขัดขัดของของทุกสิ่งสาระพัดปฏิบัติลำบากกัตสรูธรรมะกักตสรูชา้าช้าจะแปลว่าบารมีพ่อรสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากๆอย่าไปทอดหอยมันอย่างคนจน จะนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราควรถ่ายทานอย่างน้อยก็เสมอไปกินอันนี้ก็มิัตการขันนั้นเราปฏิบัติให้มากทำไม่มากจเจริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์าปฏิปทาทัานทาปิญญา ทุกข้าพเจ้าปัากิปาปัญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วไม่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นโดนกระวนตวายแต่รู้ง่ายเก็บประชังมันปวดกระชังมันจะมาหายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สมสุขข้าพปจ้าปัญาทันธาปัญญานี่นียว่าปฏิบัติง่ายๆ แต่รู้แต่ อ, อยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบุญไหวไปเรื่อยไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายใ น, นเชงจะรู้มีในขั้งพระุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดปาปิญญาลักษณะที่สีนี้กรเรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆ รู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอมอันนี้พระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้อื ม, มันก็เหมือนกันเนี่ย ม, มันกันกับอุกติจันอยู่ปุกติจันอยู่เนี่ยยะปะทะปรมะปุกติจันอยู่นั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองๆดูตอนนี้ก็รู้แล้วว่า ท่านจะอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์เท่นั้แก่พบเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุปติตนยูนยิปติตนยต้องแนะนําต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็ตืนชอนตืนไม่ได้แต่มันจะปล่อยแก้ตกไปได้แนะนําได้แก้ไขได้ เนิดปิตนอยู่เนยยะนยยะบุคคลเนะพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตแสดงโอคติตนอยู่โอกติตนอยู่วิปฏิตนอยู่เนยยะปัะทะประมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมา ก, กมีถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแสกไปนลยดิ่งเลย เห็นแเาแทมันก็วิ่งแล้วิิกันอยูย่นี่หละพอแนะนำได้ต้องยกแทะขึ้นมวิ่งต้องเขี้ยนมาตัวนี้มันจึงวิ่งทอดีสามต้องเขี้ยนม่หยุดเออไม่วิ่งต้องเี้ยนบ่อยมันจึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่ง เนยยัปัญาปรามานี้เอออยากจะเขียนลงไปฮะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินออถูกอารมณ์อะไรก็อยู่ยนั่นแหละสังสารนิพพย์ใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่เขียนไปอยู่นะจิตอันนี้มันไม่เห็นมืดหลายอันนี้มืด อันนี้ลำบากมาตัวที่สี่นี้พระพุทธเจ้าเอาทิ้งไปมันจะทิ้งอะไรไมันจะทิ้งดร่งความเบียดเบียนหลั่สอนไม่ได้ในเข้าใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวมอนน้ำ ม, มาในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไม่พร่อง อยากจเจรณ า, าใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ําเก่าก่อนจะ ใ, ใช้น้าเก่าเป็นหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อือย่างนี้ก็เป็นกันฉันนั่นถ้านี่กรรมเข้ามาแทรกแล้วลําบากถ้ามีกรมมกลลกมกรมเก่าเข้ามาแทรกแล้วลําบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นอืมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็ระอะไรแต่การกระทําความดีนั่นแหะมันดี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 เมื่อกรำมันนี้มันให้ผลอยู่ก ร, รมมื่รมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไม่ไหกรรมมา น, นี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทาเยอะนี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดก ร, รมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทมอ่ะถึงถามว่าทาแล้วไม่เสียหายทาไว้เพื่อ เกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่เพราะนั้นทุกคนชิงมาได้ทำการปฏิบัติในวัดของพระพง์ในปัญษานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสามเณรเราทุกๆคนนั้น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 ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะคาสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่ตานนั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธทางจรรนางขจฉามิธรรมังจรรนางขจฉามิ สังคังสระนังคัตฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สําคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธรรมังสระนังขัตฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังคังสระนังคัตฉามิ เราถึงพระสังกเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นักอขึกษาพระเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่รถทิฏฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงประสง์อย่างนั้นข้อประพุทพธปฏิบัติอย่าไปแย่งแย่งซึ่งกันเและกัน เมื่อเวลารรมัสร้างบา ร, รมีนี่มันทะลุถึงที่มันจะมีเวลาอยู่น้อยกว่าจริงจะมีเวลาอยู่น้อยกว่าจริงให้มันน้อยเหมือนมูเหา่าใหมันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่า เราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยกีหรือพันทีคนยิ่งหรือหลายเรามาทำความบีสักห้าวันหรือเจ็ดวันนี้เป็นคนก็ยังมีกว่านั้นมากมันจะทัดนัดต่อกันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันได้จวนครึ่งภรษามาแคอนภษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้านานๆไปมันชอบอยากอย่าประมาณที่คอวัด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 เราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรก่อนอภนาวศาลทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าจางว่ามันย่อย่อนก็ต้องกลับตัวปรับปุงเรื่อยเร่ยเหมือนกับเราภาวนาทำอนาปานัตติรมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสมอ เมื่อจิตมันวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอกีกตั้งใหม่เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหมอ่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามอไอ้ทําทอย่างอื่นที่เราทํามาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดมาจะถึงบัดนี้หลายปีเราเราทำเรานะอือไอ้ทําความชั่วยนี่ความไม่ดีมามันทํามาได้แล้วมากเลยบัดนี้เรามาตั้งใจ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 มันจะไม่ถูกแต่การทําไม่ถูกเท่านั้นแหละอไม่ไปที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั่นไอ้ความชั่วเราทํามาแล้วมันไม่ควรจะวายใจนี่แล้วลึกมาแล้วรู้วานี้ก็ดีรู้ซึ่งก็ดีสองเดือนสมเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมาก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทําสิ่งที่ไม่สบายเช่น ว, ว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เาเป็นฆรวาสเรามาทุบเอาเสียรพระไปใช่ไหเป็นต้นเปรียบไปฟังหนึ่งถึงแม่มาเราเข้ามาวัดมามองเห็นเศียรพระโอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม่ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เหอือนี่ยถึงแม้เรามาบวชอยู่ทีนี่เป็นต้น ยิ่งแล้วการยิ่งมาไหว้ท่านทุวันทุวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีเพรเราทุกข์ไปเนี่ยนี่เรียวกว่าการทําไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนไอความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ชั้นใดชั้นนั้นอบัด น, นี้เรลามาทำเป็นพระ ไม่ดีน่ปฏิบัติดีแล้วมันสบายไม่เป็นศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดนองประโภคแม้มันสบายมาถึงหนึ่หนึ่ก็บานพอบาดแม่เราเราง่ายแล้วสบายเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมาก นี่เนื่อการกระทำนี่เองอถ้าทำไม่ดีเลี่ยมันก็ไม่ดีในภายหลังแน่